พูดถามกล่าวว่าเช่นนั้นปุถุชนที่ไม่ได้ฝึกใจในธรรมะของสัตว์บุรุษไม่รู้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์จึงปรารถนากามรมรมณ์ที่ดีๆชื่อว่าสแสวงหากรมและปรารถนาพบชาติที่ดีๆชื่อว่าสแสวงหาพบแต่ไม่ได้สแสวงหาพระมรจันทร์เช่นให้ทานรักษาศีลก็ตั้งใจปรารถนาเพื่อจะให้ไปเกิดในสวรรค์เป็นต้น เราไม่รู้ว่าสวรรค์นั้นก็เป็นสังขารไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นทุกข์เหลือทนทนอยู่ไม่ได้จะต้องดับไปเพราะฉะนั้นเหล่าเทวดาทั้งหลายได้สวยสุขเวทนาจึงเรียกว่าสุขคติที่ไปดีแต่ถึงเช่นนั้นก็ทนความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของสังขารไม่ไหวจึงได้จุติ คือเคลื่อนจากพพนั้นเพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในสุขติก็ประกอบด้วยชาติชราโมรณะตอบว่าน่าสลดใจในผู้ที่ไม่รู้ความจริงของสังขารจะป่วยกล่าวไปใหยถึงในเวลาทำความชั่วแต่เวลาที่ทำความดีเช่นทานศีลภาวนาเป็นต้น ก็ยังปรารถนาการารมณ์อยู่อีกชาตินี้ได้รับความร้อนใจเพราะกรมทั้งหลายเหล่านั้นเชื้อเฉือนใจให้เดือดร้อนมากครั้งเหลือที่จะนับราวกับเขียงที่ถูกสับจนนับแผลไม่ท่วนแต่ถึงเช่นนั้นก็ยังไม่เข็ดคงมีความกำนัดยินดีกรมทั้งหลายในโลกนี้ตามเคยแม้ทำบุญให้ทานอะไรอะไรมากก็ตามน้อยก็ตาม ยังตั้งใจปรารถนากรรมอารมณ์ที่ดีๆทั้งหลายให้ไปดักคอยอยู่โลกหน้าอีกเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนให้ถอนใจเสียจากความกำหนัดยินดีในการทั้งหลายเหมือนกุญชรถอนตอนขึ้นจากลมฉชนั้นสมด้วยพระพุทธภาษิตในคาถาธรรมบทนาควักที่2ี่ามว่าอัปมาเทระตาโหท สัจิตตามนุราคาถะทุกขาอุทธรทัตตานังปังเกสันโนวะกุญชโรท่านทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาทจงตามรักษาจิตของตนจงถอนตนขึ้นจากลมที่ถอนได้ยากเหมือนช้างตกลมถอนตนขึ้นจากลมได้ฉะนั้น ผู้ถามกล่าวว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ตามธรรมดาเพราะฉะนั้นไรจะเห็นความจริงก็ตามหรือไม่เห็นความจริงก็ตามคงเป็นเช่นนั้นอยู่เสมอทุกเมื่อตอบว่าถูกแล้วสังขารทั้งหลายมีลักษณะเหมือนเรือนไฟไหม้ไม่มีเวลาหยุดพัก ไม่น้ำรูปไปกว่าจะหมดไปที่ไม่บ้านเรือนอยังช่วยกันดับได้ส่วนกองทุกข์คือความเกิดความแก่ความตายไม่มีใครจะมีอำนาจบังคับให้ดับได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่ากองทุกข์จะทำในใจแยบคายอย่างไร ที่จะไม่ให้ติดในอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันตอบว่าก็ต้องมีสติสังเกตดูอารมณ์ที่เป็นอดีตล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปหมดแล้วอารมณ์ที่เป็นอนาคตยังไม่มาถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเลยสักอารมณ์เดียว อารมณ์ที่เกิดขึ้นใหม่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นครั้งใดก็ดับไปครั้งนั้นทุกๆอารมณ์ไปไม่มีเหลืออยู่เลยแม้แต่อารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นอายตนะภายในภายนอกกระทบกันเข้าครั้งใดก็ดับไปในอารมณ์นั้นย่อมพลัดกันอยู่เสมอเช่นตาเห็นรูปเกิดความรู้ทางตาแล้วก็ดับไป อานั้นยอมพลัดกันกับรูปหูได้ฟังเสียง เ, เกิดความรู้ทางหูแล้วก็ดับไปหูนั้นยอมพลัดกันกับเสียงจมูกได้ดมกลิ่นเกิดความรู้ทางจมูกแล้วก็ดับไปจมูกนั้นยอมพลัดกันกับกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสเกิดความรู้ทางลิ้นแล้วก็ดับไป ลิ้นนั้นยอมพลัดกันกับรถกายถูกต้องโพธพภะเกิดความรู้ทางกายแล้วก็ดับไปกายนั้นยอมพลัดกันกับโพธพะใจได้รับธรรมารมเกิดความรู้ทางใจแล้วก็ดับไปใจนั้นยอมพลัดกันกับธรรมารม ทำอารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจสิ่งที่กําหนดรู้ได้ทางใจสิ่งที่ใจคิดใจนึกถามว่าเมื่ออารมณ์ที่เป็นอดีตก็ดับไปหมดอารมณ์ที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงคงมีแต่อารมณ์ปัจจุบันปรากฏขึ้นครั้งใดก็ดับไปครั้งนั้น ก็เช่นนั้นความชอบใจในอารมณ์หกที่ดีหรือความอยากได้อารมณ์หกที่ดีจะได้รับประโยชน์อะไรเล่าตอบว่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรได้รับแต่ความร้อนใจอย่างเดียวเท่านั้นเพราะความชอบความอยากนั้นเป็นสมุทยัยจึงได้รับผลแต่ทุก ถามว่าเห็นอนิจจังกับเห็นทุกนั้นต่างกันอย่างไรตอบว่าเห็นอนิจจังนั้นเป็นหน้าปฏิเสธคือเห็นขันอายตนะธาตุนามรูปไม่เที่ยงไม่มีคงที่ยั่งยืนเห็นทุกนั้น เป็นน่ารับคือเห็นขันอายตนะธาตุนามรูปว่าเป็นทุกข์เหลือทนและทนไม่ได้จะต้องดับไปจึงได้ต่างกันเห็นอนัตตาเป็นน่ารับหรือน่าปฏิเสธตอบว่า เห็นอนัตตาคือเห็นขันอายตนะาธาตุนามรูปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและไม่ใช่ตัวตนเป็นหน้าปฏิเสธแต่ละเอียดกว้างขวางกว่าเห็นอนิจจังหรือเห็นทุกเห็นอนัตตาละเอียดกว้างขวางกว่าเห็นอนิจจังหรือเห็นทุกนั้นอย่างไร ขอท่านจงอธิบายข้าพเจ้าเข้าใจตอบว่าเห็นอนิจจังหรือเห็นทุกข์นั้นคือเห็นแต่ฝั่งสังขารทั้งหลายที่เป็นฝ่ายสังคตคือเหตุที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเพียงส่วนเดียวเห็นอนัตตาคือเห็นทั้งสองฝั่ง คือบรรดาธรรมะทั้งหลายที่เป็นฝ่ายสังคตะคือสังขารและธรรมทั้งหลายที่เป็นฝ่ายอาสังคตะคือธรรมะที่ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งที่เรียกว่าวิสังขารคือพระนิพพานดังแบบว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน ถามว่าอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกกระทบกันเข้าแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนแต่ใจที่ยังไม่รู้ความจริงเห็นเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราที่เรียกว่าตัณหามานาทิฐิจึงเกิดชันทราคะและความอยากขึ้นในเวลาที่ได้เห็นและได้ฟังหรือได้ทราบด้วยจมูกลิ้นกายและได้รู้ด้วยใจ ถ้าไม่ได้ฟังคําสอนและไม่ได้ฝึกใจในธรรมะของพระผู้มีพระภาคก็ต้องเห็นผิดอยู่อย่างนี้ไม่มีเวลารู้ตอบว่าข้าพเจ้านึกถึงพระพุทธภาษิตในโสลดปัญหาที่ตรัสตอบเหมะกะมานกว่าดูก่อนเหมะกะธรรมชาติคือพระนิพพาน เป็นธรรมะไม่เคลื่อนคลายเป็นที่ถ่ายถอนความกำหนัดพอใจในอารมณ์ที่น่ารักทั้งหลายอันตนได้เห็นแล้วได้ฟังแล้วได้ทราบแล้วด้วยจมูกลิ้นกายและได้รู้แล้วด้วยใจในโลกนี้ชนเหล่าใดตรัสรู้พระนิพพานนั้นแล้วเป็นคนที่มีสติมีธรรมะได้เห็นแล้วดับกิเลเสได้ ชนเหล่านั้นเป็นผู้สงบระงับกิเลสได้ทุกเมื่อได้ข้ามพ้นตัณหาความอยากอันให้ติดอยู่ในโลกเสียได้